ข้าวสารมันมีมังอยู่ฝนเทพมาใส่เป็นอย่างไรฮะพวกเราไปไครโดนตากฝนบ้างมีไหมฮะเท่าได้ไปจะค้นบอกใครตากฝนอ่ะใครยังเงินบอกโอ้ยบอเป็นอย่างน้อยนดีตัว อุ้ยค น, น เ, เนาะแออัดผ้าเนีนก็เตยมสลาไหมสลาใหญ่อีกเท่าหนึ่งอีกอีกเท่าหลัง น, นั่นหนอยเพรดีเนาะอีกหลังหนึ่งเท่ า, น, านั่นน่อยไ้ย่อมีหลังหนึ่งพราอยู่ยหลังหนึ่งนี่อุ้ยฝนหนักแล้วฝนหนักฝนฝนสองทอดตัวฝนฝนฝนสองสองเท่ พอดีเต็นเตือนอะไรเขาก็ไม่ได้กลางเยอะลงทานก็ไม่มีมีสีทมใหม่ดีดีมีไอ้รงใส่บาทมีเพิ่งใส่บาทเนะคนพอได้อาศัยเนี่ยละกันเต็มละตากคนอยู่ก็มีติ เ, เป็นรอยแล้วมาที่หลังหรือบางทีไปก่อนก็บอบาหาที่นั่ง นี่เราไปตรงเวลาโพดบ่ได้เด้นี่คณะเราไปก่อนล่วงเวลาวเนี่ยเราไปก่อนล่วงหน้าเนี่ถ้าเราไปตรงเวลาหน่อยกับโอยบ่คคลเขาแหละเข้าหลังต้องไปแต่นั้นเนีน่ยเน่ไปหาจองเอาไว้เด้ข้าหลังต้องไปจับจองไว้ น, อออออนว้องตาก็เก้าสิบเจ็ดเต็มสิงหาเนี่ยอะเนี่ยก็ มันอ๋อ97หลวงปู่เจ้าคุณจะคุณวัดโพ99ก่อนน้องตา2ปีอีกพรษาก็ก่อน2พรรษาอายุก็่อน2ปีอีกจ้คุณจันศีท่านก็เล่าประวัติเพิ่นที่เคยเจอครั้งแรกที่ไหนเคยเจอกับหลวงตาที่นู่นนะที่เจดีหลวง ก็เล่าฟังจากนั้นมาก็เกี่ยวข้องกันมาเรื่อยเรื่อเืยืยจนได้มาเป็นเ จ, นะจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดโพนี่ก็ได้อาศัยหลวงตาหลวงต า, าอาศัยเพื่อนเพื่อาอาศัยหลวงตามาตลอ ด, ด, ดลปู่มันหลวงปู่มันแปดสิบเจดสิบเจ็ดสิบปีกับแปดเดือนปู่มันเจสิบปีกับแปดเดือนพระพุทธเจ้าก็บแปดสิบ แปดสิบพอดียุคยุคพระพุทธเจ้านี่ยุคอายุคนแปดสิบแต่ยุคนั้นก็120ปีก็มีเยอะอยู่อย่งางพระมหากัรสปานเขาก็ว่า120ปีพระอานนท์120ยยี่สปีนิพานนิพานที่หลังพุทธเจ้าทั้งนั้นหลวงปู่จันทศีนี่ก็99เนี่ย เก้าสิบเก้าปีนากระเข้าร้อยพอดีคนคนโครงสร้างปัง่มปัมไม่สูงเตียเตี้ยปัมปมเอทนโครงสร้างรุ่นนี้ทนทนทนคือโครงสร้างแน่นแน่นข้างในอะ่ะโครงสร้างมันขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ด้วย เป็นอยู่สุขสบายแล้วก็ บ, บุญกรรมเก่าไม่ค่อยได้เบียดเบียนสัตว์ครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องกรรมกรรมเลยนะเพราะท่านเชื่อกรรมร้อยครูบาอาจารย์เนี่ยแต่พวกเราเนี่ยกรรมมีเชื่อในใจถึงคนละสิห้าเปรือเปล่ามนุษย์พวกเราเนี่ยถ้าหากเรายังตราบใดเรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เนี่ยแสดงว่าเราเชื่อกรรมไม่ถึงไม่ถึงส5 ครูบาาจารย์ท่านเชื่อกรรมร้อปซนตเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงอายุยืนน่ยท่านก็พูดถึงเลยเลยอันนี้ส์ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์มีอายุยืนคนไม่เบียดเบียนสัตว์นี่มีอันนี้สองคืออายุยืนแล้วก็พุท ธ, ธาปจ ย, ยโนอายุวันนะสุขภะละ มีอายุยืนจะเกิดขึ้นได้ต่อคนที่มีความเคารพนบนอกนอก่ อ, อนน้อมต่อผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิมีความเคารพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอันงามเพราะคนเรา เ, เราจะว่าเท่ากันไม่ได้ดอกโครงสร้างของคนเราเนี่ยเท่ากันโดยไตรลักษณ์เท่านั้นแหละแต่คุณสมบัติยไม่เท่ากัน แล้วไม่ต้องพูดกันยากหรอกเราพูดถึงพ่อกับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกนี่มีคุณสมบัติเท่ากันไหมตอนแรกมาเนี่ยลกูกด้วยความเกี่ยวข้องกันด้วยด้วยความผูกพันกันเนี่ยพ่อก็ต้องผ่านอะไรมามากกว่าลกูกโดยการเรียนการศึกษาด้วยหน้าที่โดยการงานด้วยอะไรต่ออะไรลูกเพิ่งเกิดนี่คุณสมบัติแตกต่างกันแต่บุญ ทั้งหลังให้มาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครมากใครน้อ ย, ยบางทีลูกอาจจะบุญบารมีมากกว่าก็ได้ ย, ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเกิดอตอนวันเกิดเนี่ยประสูติออกมาเนี่เป็นทารกอยู่ปีวันห้าวันบอกอสิต ด, ดาบทเนี่ยเข้าไปเข้าไปเยี่ยมนย่อสิต ด, ดาบทเนี่ยซึ่งเป็นคน เป็นดาบทที่เคารพนับถือของตระกูลสากยตระกูลกราบกราบทารกกราบพระพุทธเจ้ากราบสิทธัตถะกราบทีนี้พ่อพระเจ้าสุโธธนาเนี่ยเห็นสีดาบทกราบก็ต้องกราบด้วยเห็นความอัศจรรย์ของลูกต้องได้กราบด้วยกราบครั้งแรกครั้งที่สองก็นู่นตอนไปไปไปแรกนาขวัญ แรกนาขวัญเห็นความอัศจรรย์พวกพี่เลี้ยงเนี่ยเขาอยากไปดูพวกพี่เลี้ยงเนี่ยเขาอยากไปดูพิธีแรกนาขวัญก็เลยไปดูพอไปดูศิทธัตถอยู่คนเดียวใต้ร่มว่าอยู่ใต้ร่มว่าเข้าสมาธิเลยหละเข้าสมาธิกำหนดลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดความอัศจรรย์จิตเข้าลึกละเอียด ได้สมาธิได้ความสงบแนบแน่นอยู่ข้างในความสงบมีพลังมีอนุภาพทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนั้นเป็นตะวันบ่ายแต่ว่าเงาของต้นไม้เนี่ยมันยังมันยังยังทิ้งเงาตรงต้นอยู่ไม่เอียงไปตามแสงตะวันซึ่งทำให้ศิรธรรมที่นั่งภาวนาอยู่เนี่ยได้รับยังได้รับร่มอยู่ นีพอพี่เลี้ยงนางนมเห็นก็เห็นความอัศจรรย์ก็ไปบอกพระเจ้าสุโธสนะมาเห็นเห็นความอัศจรรย์กราบอีกกราบอีกอนี่กราบสองครั้งแหละกราบครั้งที่สามก็คือตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชแล้วศิท ธ, ธัถะออกบวชแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชนี่อายุยี่สิบเก้านะไม่ใช่ใน้อยน้อยนะแต่งงานตั้งแต่อายุสิบหกสิบหก ถึง29กี่ปี16ถึง29กี่ปี15ปีเหรอนะ13ปีนะแต่งงานอยู่ด้วยกันกี่ปี13ปีเหรออยู่ด้วยกัน13ปีแล้วก็ออกบวชออกบวชบำเพ็ญทุ ก, กัลาวิยะพิสูจนทดลอง ทุกวิถีทางทุกอย่างที่ฤาษีชีพลายดาบทสมัยนั้นลัทธิศาสนาไหนก็ตามพระองค์ทดลองหมดก็เลยเสียเวลาไป6ปีอพอวันเพ็ญเดือน6ปีที่6ก้นนะ่ก็ได้บรรลุธรรมพอได้บรรลุธรรมแล้วก็ยังประกาศเที่ยวประกาศพระศาสนาที่อื่นก่อน ประกาศศาสนาที่เมืองพระนาศีประกาศศาสนาที่เมืองราชเครือได้รวงรังของเชิ ด, ดินทั้งั้วทั้งพันเชิ ด, ดินนั่นน่ะได้บริษัทบริวารพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นสาวกหมดตอนนั้นมีพิกษุพิษุนีมากพอสมควรอยู่แต่พิษุนียังไม่เกิดตอนนั้นกี่ปีพระเจ้าสุโทธทนะให้อํามัดไปนิมนต์ทูลเชิญกลับ ไปกบิลพัณ์เนี่ยส่งครั้งที่หนึ่งไปก็งเงียบส่งครั้งที่สองไปก็งเงียบส่งทหารไปส่งพวกอัมมัด ไ, ไปไปทูลเชิญสเสด็จไปก็บวชมบรรลุเป็นพระอรหันต์มันก็อยู่สบายแล้วใครไปก็บวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็อยู่สบายแล้วเรื่องอะไรจะกลับมาตอนหลังไลยใช้อุทาอุออทาีการุทายีอัมมัดอัมมัดใหญ่ไปที่พุทธเจ้าก็เลยรับ จะเสด็จกลับกบิลพัทพอไปกบิลพัทนี่แหละพิสุสองหมื่นเสด็จกลับไปกรุงกบิลพัทนี่พิสุสองหมืนเดินทางเต็มป่าเต็มลงไปน่ะไปเมืองกบิลพัทเสด็จเมืองกบิลพัทครั้งแรกนะอไม่ใช่ไม่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไปบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไปโปรดพ่ออก่อนไม่ใช่ โปรเทียประกาศศาสนาที่อื่นก่อนนะพ่อทรงคนที่อื่นไปกอส่งส่งอมตะไปหลายชุดไปก็บวชหมดชุดที่หนึ่งก็บวชหมดชุดที่สองไปก็บวชหมดชุดที่สามกาลุยไทยอมตไปถึงได้กลับมาพร้อมกับพิสุปสองหมื่นรูปสองหมื่นองเดินทางมามาเลยดำริให้พักที่นิโครทาราม พนะระเจ้าสุทโธธนะจัดให้เป็นที่ประทับให้พิสุส่งทั้งสอง0มื่นองคนะ พ, พักที่นิโครทารามทีนี้พวกพวกรา ช, ชตระกูลทั้งหลายนะนะั่นแหะรู้ว่าพุทธิ้าเสด็จมา ป, ปกติพวกสักยะนี่มีทิฐิมานะมากมีทิฐิมานะมากจริงๆคนที่นอกตระกูลสักยะนี่จะไม่ไมให้จะไม่ให้มีการแต่งงานด้วยนะ พวนี้ถือตัวมากทิฏฐิมานะมากทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปไอ้พวกญาติตระกูลที่อายุสูงสูงหน่อ ย, อยก็ไม่มานั่งใกล้นะนุ่นนั่งไกลไกลนุ่นให้พวกอายุน้อยน้อยมานั่งข้างหน้าใกล้ใกล้พระพุทธเจ้าเพื่อพวกนี้จะได้กราบได้ไว่ายอะไรพระพุทธเจ้าได้ไอ้พวกนั้นทิฏฐิมานะมากไม่มานั่งใกล้นุ่นนั่งไกลไกลนุ่นพระองค์มองเห็นไอ้พวก ราชตระกูลทั้งหลายในทิฏฐิมานะมากพระองค์ก็เลยแสดงอภินิหาร่หเาะขึ้นเหาะขึ้นมันดานในฝนบวกคารพัดตกบรรดาให้ฝนบวกคารพัดตกลงมาเหมือนคี้ฝุ่นละอองธุลีจากปลายพระบาทของพระองคอ์ตกลงมาใส่หัววกนี้เห็นอัศจรรย์เลยแหละทั้งพระสงฆ์ทั้งพระสงฆ์สองหมื่น ร, 20, รูปทั้งบริษัทบริวารของพระยาสุโธชนะน่ะ เห็นแล้วก็ตลึงงานตลึงงานไปตามๆกันพุระเจ้าเหาะขึ้นนูน่นเท่าชั่วลําตาเนี่ยฝุ่นละอองเหมือนกับฝุ่นละอองธุลีโปรยลงมาจากใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์อะกลายเป็นฝนฝนโบกคลพัดฝนโบกคลพัตอ่ะเป็นฝนสีแดงเป็นฝนสีแดงนะใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกฝนนี้แปลก เป็นฝนสีแดงเกิดขึ้นจากอานุภาพเกิดขึ้นจากฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าพอเสด็จกลับพอเสด็จลงมาพอเสด็จลงมากราบอีกพระเจ้าสุโธธนะกราบเป็นครั้งที่สามพอกราบเป็นครั้งที่สามจากนั้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมแสดงธรรมเรื่องอะไรนาะแสดงธรรมครั้งแรกได้เป็น พโสดาบันสแสดงธรรมครั้งที่สองได้เป็นพระ ส, ก, ก, ะสะกักสกิไอแสดงแสดงธรรมครั้งแรกวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าไปไปไปบินธบาติพอท่านไปบินธบาตนี่พ่อก็ไปยืนดูก็เสียใจมากลูกเราเป็นถึงกษัตริย์ทำไมต้องไปเดินขอทานถือว่าเสียเกียรติเสียยศเสียศักดิ์ศรีทำไมพระองค์ทา ทำให้ข้าพระองค์ต้องได้รับความอับอายไปบอกไปภาลนาให้ลูกฟังข้าแต่พระบิด า, าตั้งแต่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาสัมโพธิญาณมาเนี่ยสักยศกุลสักยศะะกุลสักยศะะกุลของอาตมาก็สิ้นสุดลงนะ ตระกูลตระกูลของพระยอาสุธรธนาสิ้นสุดลงหลังจากที่พระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระยอดสุธรธนะก็อึ้งโอ้โตโตโตโตสากยะตระกูลเนี่สิ้นสุดลงอ่าสักยะวงของอ่าของของตถาคตเนี่สินส้นสุดลงอ่าดำรงเป็นสักดำดำรงเป็นอ่า พุทธพุทธวงสาขาญวงเนี่ยสิ้นสุดลงดำรงตามพุทธวงย้อนดูอดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทัางเคยทำยังไงเคยทำยังไงก็าบำเพ็ญตามอย่างนั้นทั้งหมดแม้แต่ประสงค์สาวกก็เช่นเดียวกันพระเจ้าสุโธธนะเลยอึง้งโอ้ถูกธรรมะกระทบอย่างแรงเลยจากนั้นก็แสดงธรรมให้ฟังไม่ให้ประมาทในบิณฑบาต เป็นพระได้ได้ได้บรรลุเป็นพระสกิทาคาหร อ, อะไรเนี่ยครั้งแรกได้พระโสดาบันครั้งที่สองได้พระสกิทาคาตอนหลังมาก็ป่วยพุทธเจ้าไปโปรดโปรดเทศเทศแล้วเทศอีกกันแล้วกันอีกเสียสิ้นเวลาห้าวันหกวันพอดีก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทูลลาพระพุทธเจ้านิพพาน นี่นะพระเจ้าสุโธทนะเนี่เป็นโยมบรรลุเป็นบรรลุเป็นพ ร, รนะอรหันต์ยังไม่ได้ถือเพศบวชพระอรหันต์ประเภทนี้เาเรียกว่าสมะสีสีเสมอด้วยชีวิตสมะชีวีเสมอด้วยชีวิตใใคล้ายๆกับว่าบรรลุธรรมแล้วก็สิ้นชีวิตในขณะเดียวกันรู้ว่าหมดหมดอายุไขก็ทูลลานิพาน พี่เจ้าโสทนาพุทธเจ้าโปรโดจนได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เราพูดถึงเราพูดถึงอะไรเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยพูดถึงอะไรคิดถึงต้นตอไม่ถูกแล้วฮะอ๋ะอพูดถึงคุณสมบัติของพ่อกับลูกเนี่ยพุทธเจ้าสิทธะก็คุณสมบัติความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อ ก็ยังไม่ถึงนั้นแต่พ่อก็ได้สิ้นสุดแห่งวัฏสองสารไปพร้อมๆกับพบชาต์ในในอัตภาพนี้ลูกก็หมดหมดชาติในอัตภาพนี้ภาพนี้ก็หมดไปพร้อมๆกันแล้วก็บริษัทบริวารราชสกุลทั้งหลายก็เอาเข้าไปบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามๆกันที่ไม่ได้บรรลุก็มีพระเทวทัศน์นั่นแหละพอพระเทวทัศน์นี่ พอได้ไปบวชแล้วก็ไปหลงละเริง อ, อยากเป็นใหญ่อยากปกครองสงฆ์คือในท้องเรื่องมันต้องมีโกงแหะเท <c oughs> วทัตนี่เป็นโกงเป็นประเภทโกงเป็นประเภทโกงอธิชาตชก็เคยจองเวรจองกรรมเทวทัตกับผู้ที่เจ้าเนี่จองเวรข้างเดียวนะไม่ใช่จองเวรสองข้างนะให้พวกเรา จำไว้ด้วยว่าเวนนี่จองข้างเดียวมันก็เป็นเวนได้ก็แปลกนะเวนนี่สมัยพุทธเจ้ากับพระเทวทัตไหนไปค้าไปค้าค้าขายด้วยกันเนี่ยพระเทวทัตหวังจะหลอกเอาทองทองคํากับยายเท่านั้นนะกับยายแก่ยายยายแก่คือคือไปค้าขายเครื่องประดับด้วยกันนี่พระเทวทัตพระเทวคล้ายๆก็ว่าเหมือนอย่างพวกเราไปขาขายของทุกวันนี่แหละ พอไปถึงหมู่บ้านหนึ่งต่างคนต่างออกคนนั้นไปซอยนั้นคนนั้นไปซอยนั้นคนนั้นไปซอย น, นั้นออกไปขายของทีนี้พระเทวท่านเนี่ยเดินไปก่อนเดินไปก่อนแล้วก็ยายนี่อยากได้ของไปให้หลานก็เลยเอาถาดทองคําคมามาแลกแล้วแต่ลูกจะให้ให้ทนายก็เอายายเนี่ไม่รู้ว่าถาดนี่เป็นถาดทองคําคแต่พระเทวท่านเนี่ยรู้ว่าเป็นถาดทองคําคแล้วรู้ว่าเป็นถาดทองคําเลยพยายามกดราคาลงว่างั้นเถอะ แล้วก็ทําถ้าเป็นเดินเลยไปยังยังไม่เอาหวังว่าจะกลับมาเหมือบตามหลังเนี่ยพราะมาตามหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าไปก่อนพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนะในภพชาตินั้นนะพุทธเจ้าก็เป็นขายของกันเน่ยขายเครื่องประดับด้วยกันพุทธเจ้าไปตามหลังเนี่ยของที่หอบหิ้วไปทั้งหมดเนี่ยให้ยายนะทั้งหมดเลยอุ้ยทองคํานะ ของทั้งหมดที่ที่ที่เอามานี่ก็ไม่พอกับราคาของของของถาดนี้โอ้แล้วแต่ลูกจะให้เลยของทั้งหมดนีให้ยายคนนั้นหมดเลยของเครื่องประดับที่เอาไปเนี่ยหรือได้ถาดต้องคําใบเดียวเพราะได้ถาดต้องคําแล้วเปิดเลยไปก่อนพอเทวทัศน์กลับมวกวกกลับมาไว้จะมาขมือมือเหยือโอดรู้ว่าพระเจ้าเอ า, เอาไปก่อนจองไว้เลย จองเวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยนะจองข้างเดียวนะแปลกเหมือนกันนะจองเวรข้างเดียวจองเวรข้างเดียวมันก็เป็นเวรเหมือนกันนะเจ้าเวรนี่ก็ได้นะจองเวรข้างเดียวเขาเป็นนะเกิดชาติไหนาชาติไหนเขามาเจอกันอยู่เลยมาตัดร้อนกันอยู่เลยนะเป็นโกงอยู่เรื่อยเป็นพุทธเจ้าเขาเป็นพระเอกอยู่เรื่อยมาตลอดนี่เราดูมีคนเดียวที่ไม่ได้บรรลุเจ้าชายอเทวทัต เทวทัตบำเพ็ญได้ชานได้ชันโลกีมีฤทธิ์มีเดชเกิดบ้าอำนาจคิดว่าจะขอเป็นเจ้าชายและจะทำอะไรได้ง่ายๆเห็นมีประสงค์สาวกมากมายก็อยากปกครองก็อยากปกครองก็หาวิธีหาบายหาหลายทีแรกก็ไปขอพุทธเจ้าพระองค์ชราภาพมากแล้วขอให้พระองค์อยู่สุขสัรานเถิดข้าพระ ข้าพระองค์จ ะ, จะปกครองสงฆ์แทนพุทธเจ้าไม่ให้เสียใจอีกครั้งแรกขอปกครองสงฆ์พุทธเจ้าไม่ให้มีหลายครั้งนะขอปกครองสงฆ์ครั้งที่สองก็ไปขอไปตั้งกติกาที่เคร่ง เพื่อให้คนทั้งหลายนั่นน่ะหันมาสนใจนับถือตัวเองน ะ, อะขอให้พระองค์บัญญัติห้ามพระสงฆ์ห้ามพระสงฆ์รับกิจนิมนต์ห้ามพัดห้ามพัดที่รับนิมนต์ให้เที่ยวบิณฑบาตเป็นพัดหนึ่งให้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรับกิจนิมนต์ไม่บิณฑบาตเนี่ยถือว่ามีโทษ ให้อยู่ป่าเป็นวัด อ, อยู่อยู่บ้านมีโทษให้อะไรถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือข้ปฏิจีวรนะมีโทษมีหลายอย่างอยู่แล้วก็ห้ามฉันเนื้อฉันปลาอสองสามสี่อย่างข้างแรกพระองค์ก็ต่อมาเป็นอย่างเป็นอย่างบอกว่าพระองค์บัญญัติไม่ได้พระถร้าบัญญัติไปแล้วนี่พระสงฆ์จะปกจะอยู่ยากจะอยู่ลำบาก การครองชีพความประสงค์เนี่ยจะอยู่อย่างทุกยากอย่างลําบากเพราะฉะนั้นใครถือปฏิบัติได้เคร่งครัดขาดไหนให้เป็นอัธยาศัยของใครของเราแต่สำหรับข้อข้อไม่ให้เสวยเนื้อสัตว์ไม่ให้ไม่ให้กินเนื้อสัตว์ไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์นั้นอันนี้เราก็ไม่ห้ามแต่ยกเว้นเนื้อสัตว์ที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินรู้ว่าเขาจะฆ่าเพื่อเราเห็นเขาฆ่าเพื่อเรา ได้ฟังว่าเขาจะฆ่าเพื่อเราและเรามีความรังเกียจเมื่อมีความรังเกียจแล้วฉันไปต้องอาบัตมีโทษยกเว้นเนื้อเนื้อที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็เนื้ออีกสิบอย่างเนื้อช้างเนื้อมาเนื้อเสือเหลืองเสือคร่องกราเจียวสีเนื้อหมีเนื้องูเนื้อมนุษย์เนื้อหมาเนี่ยสิบอย่างเนี่ยเนื้อสิบอย่างพุทธเจ้าห้าม นอกนั้นก็รับได้พิจารณาได้ฉันได้แต่จะฉันเนื้อท่านให้พิจรารณาเห็นเนื้ออะไรขึ้นมาให้พิจรารณาบางทีเนื้อปกติธรรมดาเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์นั่นแหละสามารถฉันได้อะไรได้แต่ถ้าเกิดไปเข้าใจว่าเป็นเนื้อช้างแล้วก็ฉันลงไปต้องอาบัดบัดทุลิใจสงสัยว่าเป็นเนื้อมนุษย์ฉันก็ไปต้องอบัดทุลจศใจ กันปรับัติไปทางความสงสัยเห็นว่าไม่ควรในของที่ควรเห็นว่าควรในของที่ไม่ควรเห็นว่าไม่ควรในของที่ควรสาเหตุที่จะให้ต้องอาบาัติพุทธเจ้าเลยเทวทัศ ก, ก็เลยเสียใจแหละผิดหวังอีกจ้างคนไปฆ่าพุทธเจ้าหลายหลยหลายหลายวาระก็ผิดหวงังตอนหลังมาก็เลยเลยไปเข้ากับ อาชาศัตรูมีฤทธิ์เอาเป็นงูพันหัวพันแขนพันขาเดินไปหาอาชาติศัตรูเห็นกลัวนะาชาตศัตรูยังยังเด็กอยู่พระเจ้าพิมพ์พิสารยังไม่ปล่อยปกครองก็เลยไปยุยงพระเจ้าชาติศัตรูว่าถ้าไม่ฆ่าพระบิดานี่โอกาสที่เราจะขึ้นครองเป็นกษัตริย์นี่นานมากเพราะพระเจ้าพิมพ์ิสารยังจะต้องมีอายุ ยืนยาวอีกมากพระเทวทัพไปแนะนําให้พระองค์า่าพระเจ้าพิมพิสารให้ฆ่าพระบิดาสำับเราจะฆ่าพุทธเจ้าน่นเดก็เลยวางแผนจะฆ่าพุทธเจ้ามาหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็ไปกลิ้งก้อนหินไปกระทบกระทบก้อนหินสเก็ตหินไปถูกเท้าพระบาทของพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตห่อเลือดช้าๆเลือดช้าหนองกันละ่ะ อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้อนันตรทียกรรมเนี่ยอเวกีมานรกทําโลหิตของพระพุทธเจ้าให้หอกให้หอ่อช้าเลือดช้าหนองนั่นแหละไปกระทบไปช้าไปบวมเป็นเลือดช้าเลือดช้าหนองทําไงก็ไม่ตายตอนหลังมาก็เลยแยกสงเราจะเห็นว่าพระเทวทัานนี่ยทำสังฆเพทหนึ่งอย่างสองอย่าง หนึ่งอย่างก็คือทําโลหิตให้ห่อทํำโลหิตให้ห่อที่พระบาทของพระพุทธเจ้าข้อสองคือทําสังฆเภทแยกสงศ์ตอนสุดท้ายนี่ไปแสดงวัตถุห้าอย่างพระพุทธเจ้าไม่ไม่นย่าพอพระพุทธเจ้าไม่นา่าจะกันเลยแยกสงศ์เธอเห็นไหมนี่เรามีข้อปฏิบัติที่แข็งแกร่งเพื่อมรักเพื่อผลเพื่ออะไรอย่างแท้จริงแต่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติอ่า จะเห็นว่าของใครของของใครแข่งกว่าของใครหน่อยเน่เอาไปอวดพระาศาสดาเอาไปอวดพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่เขาจะหวัวเราะนั่นแหละในที่สุดไอ้ชาติสัตร่ไปเชื่อพระเทวทัตเนี่ยก็เลย จ, จับ พ, พ, พระเจ้าพิมพิสารขังจับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระโสะดาบันแล้วอเมื่อจับไปขัง พระองค์งก็เดินยังกลมเดินเดินนั่งนั่งภาวนาอยู่นั้นล่ะพราะเป็นพระสวดาบานแล้วนี่จะไปขังก็ไม่ทําอะไรเดินทีแรกก็ให้อาหารอยู่ตอนหลังมาสั่งไม่ให้ส่งอาหารไม่ส่งอาหารพระองค์งก็อดอดแต่ก็ยังมีกําลังเดินยังกรมได้อยู่ให้คนไปดูว่าพระองค์งทําอะไรอยู่พระองค์งเดินอยู่เดินยังกลมอยู่เดินไปเดินมาอยู่ให้เขาไปปาดพระบาทอีกเอามีดไปปาดพระบาทเอาเอาเกลือทา โอ้โหดูดิเอามีดไปปดาดฝาพระบาทของพระยาพิมพิสานะอาชาติศัตรูนะและให้เอาเกลือทาเ็เจ็บมันก็แสบแล้ววงก็ทรมานนั่นนะทรมานไม่นานครับสิ้นระชนพอสิ้นไปชนอาชาติศัตรูนี่ก็มีไม่เหสีแล้วมีคันแก่แล้ววาระเดียวกันกับ พ่อสิ้นพระชนกับลูกก็ประสูตรเนี่ยเขาก็เลยไปบอกว่าจะจะจะทูนอะไรก่อนจะจะทูนอะไรพระเจ้าไอชาศัตรูก่อนจะบอกว่าพ่อสิ้นพระชนหรือจะบอกว่าลูกประสูตร Alright. ในที่สุดก็บอกว่าลูกบอกว่าลูกประสูต ร, ก, ก, ก, ร, ตรก็ดีอกดีใจเออเรามีลูกเรามีลูกชายแหละดีอกดีใจหลังจากบอกว่าอามหาศรีประสูตรโกรส ต่อมาก็บอกว่าพ่อสิ้นไปชนแล้วที่เอาไปขังไว้โอ้เ ก, กิดกระจกเงาสะท้อนขึ้นมาทันทีเนี่ยกำลังเริ่มมีลูกมีลูกใหม่ดีอกดีใจแต่ในขณะเดียวกันนายเจ้าของทำไปทรมานพ่อจนตายเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวงลวเลยทีนี้เห็นไหมนี่แหละเขาเรียกประสบการณ์เนี่ยมันสะท้อนใ้เห็นถึงอกถึงใจทันทีแต่พระเทวทัตไม่สาเร็จสักอย่าง หนสุก็เลยแยกสงจะไม่ไม่ทำไม่ร่วมสังฆกรรมกับพระพุทธเจา้าไปอยู่ในที่อีกที่หนึ่งหลอกเอาพิสุใหม่ๆนั่นแหละไปด้วยไปก็ไปตั้งตัวเป็นศาสดาสอนนี่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยให้พระโมคคัลลาสาธิบุตรไปตามพระเทวทัตเขาก็นั่งสอนลูกศิษย์นั่นแหละมีพระที่บวชใหม่ๆยังไม่ได้มรกคได้ผลอะไรดอกอติดคําพูดของพระเทวทัตเนี่ยไปด้วย ไปเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตผู้ติเจ้าท่านท่านทันนะทันพระเทวทัตนะหลังจากเทวทัตนีขอแยกตัวนี่ท่านประกาศหมดทั้งเมืองเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพฤติกรรมใดๆที่วเทวทัตทาขึ้นเนี่ยพระองค์จะไม่รับรองพระองค์ไม่รับรองพฤติกรรมที่เทวทัตทำใดๆพฤติกรรมใดๆทั้งนั้นไม่รับผิดชอบ ถือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วเพราะเทวทัตเขามาแตกเขามาแยกไปก่อนว่าเขาจะไม่เป็นลูกศิษย์แล้วอืมเขาไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เองและพระองค์ก็ประกาศเหมือนกันว่าเทวทัตถือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ไปทําอะไรจะไม่รับผิดชอบเทวทัตก็ไปทำํนทำนั้นทานี้ไปประกาศนัประกาศนี้ก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกมีคนบางกลุ่มที่เห็นด้วยเท่านั้นละ่ะแล้วก็พระก็พวกพระใหม่ๆที่ตามไปไปแล้วก็ไปสอน หลังจากสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปกันเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยก็เลยสยญาติตะแคงขวาเคยเห็นพระพุทธเจ้าทำอย่างงั้นเด้เวลาพระองค์เหน็ดเหนื่อยก็สยญาติตะแคงขวาแตนี้พระเจ้าท่านเป็นปุถุชนเนี่ยพอตะแคงสักหน่อยหนึ่งก็คล้าคล้าแต่ก่อ น, ก, อนก่อนนั้นะก่อนจะตะแคงขวาเนี่ยพระสารีบุตรเขาบอกลานะไป พอดีไอโกกาลิกะเนี่ยที่เป็นสาวกเบื้องขวาเขาเนี่ยเห็นพระสารีบุตรพระมกขลานะไปนั่นน่ะพระสารีบุตรพระมคขลานะมาแล้วอย่าอย่าเชื่ออยาใจอย่าไว้วางใจนะพระทั้งสององค์น่ะเป็นพระลามกนุเดะลูกศิษย์เพื่อนน่ะว่าพระสาริบุตรพระมกขลาน่ะเป็นพระอับพระลามกอืทีนี้พอทั้งสององค์นี่ไปถึงเห็นไหมอวดอวดลูกศิษย์อีกนั่นเห็นไหม แม้แต่อัครสาวกเบื้องซ้ายเ บ, เบื้องขวาเบื้องซ้ายก็กตามเรามาเห็นไหมเห็นไหมอวดอีกมามาดีแล้วช่วยสอนพักผ่อนซะหน่อยให้ภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะช่วยกันสอนสอนพระต่างๆเหล่านั้นพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอรหันต์ภาษาดิบุตร ท, ท่านเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตเป็นปุถุชนพักผ่อนซะหน่อยถ้แคงขวาต้าแคนได้ซะหน่อยเนื่อยหลับคลอกคลอ พระสารีบุตรพโมคคัลลานะท่านสอนลูกศิษย์จนลูกศิษย์เนี่ยได้มรดได้ผลอืแล้วก็พากันกลับทั้งหมดเลยเหลือแต่ลูกศิษย์ไม่กี่คนอะ่ะสองสองสามสอ ง, ส า, ส, องสามองค์อ่ะลูกศิษย์ของเทวทัตนี่ยมีโ ก, โ ก, โกรกาลิกะคนหนึ่งนั่นแหละพอพระสารีบุตรพรโมคคัลลานะพาลูกศิษย์กลับไปหมดพอพระสารีบุตรโมคคัลลาะนะเนี่ยพูดให้เจ้าให้ให้ตามไปนะให้ตามพระใหม่ๆไปไ ป, ไปบอกไปสอนกลับคืนมา ไปบอกไปสอนพระต่างๆเหล่านั้นก็ได้มักได้ผลแล้วก็กลับมาทั้งเกือบทั้งหมดเหลือไม่ไม่กี่องค์สองสา ม, มองค์ที่เป็นสาวกของเทวทัตและโกกาลิกาเนี่ยมาพอพวกนั้นไปหมดแล้วก็ปลุกพระเทวทัตขึ้นมา ต, นตื่นตื่นตื่นลุกขึ้นมาทั้งศอกทั้งเขา่เาทั้งเข่าเสียใจทํำพวกนั้นไม่ได้เลยมาฟาดอาจารย์เจ้าของทั้งศอกทั้งเข่าจนพระเทวทัตเนี่ยก็อักเลือดเหงนกันนะ เรื่อนเขาเล่าคำขวัญดีเหมือนกันอันนี้คือในในปัจจุบันแต่พระเทวทัตท่านดีตอนตอนเบื้องสุดท้ายท่านมาร า, าพเป็นดินสุบเอาไปจีนี่เป็นดินสุบสุบลงเอาไปจีสูบลงสุปลงสูบลงสูบลงก็ทิศคือหลังจากาพระมคลลาสาริบุตรเอาลูกสิกลับไปแล้วมาราลุรลึกโทษได้ โอ้เราทำผิดแล้วเราจะต้องไปเคาะขมาพระศาสดาเราลึกโทษได้ก็เลยให้ลูกศิษย์เหลือสามสี่คนนี่แหละหามไปพุทธเจ้าอยู่ที่วัเชีตะวันนวิหารวัดเชียร์ตะวันพุทธเจ้าก็เลยทายบอกลูกศิษย์ว่าเทวทัตเทวทัตจะต้องถูกแผ่นดินสูบถึงเทวทัตจะมาก็ไม่ได้พบเราเทวทัตจะต้องถูกแผ่นดินสูบถึงมาก็ไม่ได้พบเรา ลูกศิก็หามาเลยหามมาเลยหา ม, มาเล ย, า ม, ม, าเลยมาก่อนจะเข้าวัดเชตตะวันนะก็เลยไปวางวางลงไปวางลงแล้วก็ลูกศิก็ลงไปลูกน้ําลูกท่าอะไรที่สะนั่นพระเทวทัพก็หย่อนตีนลงหย่อนเท้าลงพอหย่อนเท้าไปถึงแผ่นดินแผ่นดินก็สู่เข้าไปเลยสู่เข้าไปเลยเทวทัพพอจวนตัวสู่ไปเกือบจะจมมิดแล้วเหลือแต่ค า, างันไกล ย, ยอมตัวร้อยเปอร์เซนเลย ขอยอมแล้วขอระลึกถึงพูติเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกขอมอบคางกันไกลนี้เป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องระลึกต่อพระศาสดาเสร็จแล้วก็แผ่นดินก็สูบจมลงไปอถูกไฟนรกเผาอยู่ที่อเวจีมหานรกจนเดียวนี้แหละอืในอเวจีมหานรกเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าไฟทั้งสี่เทศเนี่ยพุ่งเข้าไปใส่ลําตัว แล้วก็ลำตัวนั้นน่ะแต่ตัวตัวสัตว์นรกตัวนั้นมันรู้ใหญ่เท่าไหรและวเขาว่าเหล็กเหลาเท่าลำตาเนี่ยแทงทะลุจากหน้าอกไปข้างหลังเหล็กเหล็กเท่าลำตานั้นน่ะปลายอีกข้างหนึ่งก็ไปติดอยู่กับฝาอีกข้างหนึง่งปลายอีกข้างหนึ่งก็ไปติดขาข้างหนึง่งเหมือนเขาปิ้งอะไรไว้นั่นแหละแล้วก็ไฟทั้งสีเทือเนี่ยพุ่งเข้าใส่อาวจีนั่นแหะที่อาวจีมหานารกถึงกระนั้นก็ไม่ตายด้วยเวรด้วยกรรม ที่เคยทํามาต้องไปทรมานถึงขนาดนั้น่ะไม่รู้กี่กลับกี่กันแหละกว่าจะหมดเวรหมดกรรมจากอเวจีพ้นมาด้วยเหตุที่มอบคางกันไกลถวายบูชาพระพุทธเจ้าและลงกับพะระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนลงใจลงใจศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนตแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงแย้มพระโอษฐ์เ อ, อเธอก็ไม่เธอก็ไม่ถูกแป่นดินสูบเปล่า เธอก็ไม่ตายเปล่าว่างั้นเถอะถึงแม้ว่าเธอไม่ได้มักไม่ได้ผลแต่เธอก็ไม่ได้เปล่าไม่ได้เปล่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่ยอนกําหนดไปเท่านั้นแหละทราบว่าวอดีตอนาคตเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพระเทวทัตจะต้องได้กลับขึ้นมาเป็นพระปัิเจกเป็นพระปัิเจกก็คือพระปัิเจกก็คือตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งเป็นพระปัจเจก ปัจเจกแปลว่าเฉพาะเป็นพระพุทธเจ้าคือบรรลุ ธ, ธรรมเฉพาะ อ, องค์แล้วก็ไม่มีไม่ตั้งศาสนาอเพราะบารมีพ ร, พระปัจเจกก็แค่นั้นตั้งศาสนาไม่ได้แต่พระปัจเจกท่านสอนเหมือนกันนะไ ป, ไปดูในพระปัจเจกในในพระไตรปิฎก น, นะพระปัจเจกก็ท่านก็สอนเหมือนกันนะพระปัจเจกนี่เขามักจะไปเกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติอ ยุคไหนกับไหนที่พระพุทธเจา้าไม่ได้ไปอุบัติไม่ค่อยจะมีพระพุทธเจ้าไปอุบัติเนี่ยพระปฏิเจกมักจะไปะอุบัติเขาเขาก็มีบุญบา ร, รมีเต็มเปี่ยมเหมือนกันน ะ, ะพระปฏิเจกบางองคท่านพูดถึงนะพระปฏิเจกบางองเนี่เพียงแต่เห็นเห็นสองสามีภรรยาเดินมานะเห็นผัวกับเมียเขาเดินมาเนี่ ย, ยจิตใจไปนึกชอบเมียเขา เห็นนะท่านพูดถึงตำนานพระปิจกเห็นผัวเมียก็เดินมาเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบเมียเขาโอ้ยคนนี้สวยมากงามมากนึกชอบนึกอะไรขึ้นมาทันทีจับคณิขนาจิตของเจ้าของได้นะเอว่าจิตเจ้าของเนี่ยมันไปขโมยไปขโมยชอบเมียของคนอื่นผิดศีลหมุนมาที่เนี่ยหันมาจ่อที่จิตเจ้าของเนี่ยมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมุนมุนมีสติมีปัญญามี กำลังวังจามีอะไรก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังย้อนหน้าย้อนหลังย้อนหน้าบรรลุลลเป็นพระประเจกทันทีแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปทําอะไรมากมีหลายไร่องจะเป็นง่ายๆบางองค์ก็ไปฟันไร่ด้วยกันไปฟันไร่ด้วยกันนะอันนี้อันนี้ท่าพูดถึงบา ร, รมีของพระประเจกไปฟันไร่ด้วยกันต่างคนต่างหอ่อข้าวหอ่อน้ําไปกินของขายของขายก็ไปห้อยเอาไว้ ก็เหมือนอย่างพวกนี้มันเอามาห้อยเนี่ยหมือนอย่างพวกเนี่ยพวกก็มาทํางานให้เราเข้ามไห้อยอะทีนี้คนหนึ่งหิวน้ําหิวน้ําไปไปกินน้ํากัวน้ำเจ้าของอย่าหมดอะ่ะแทนที่จะกินน้ำเจ้าของไปกินน้ําหมูไปกินน้ําหมูหมูที่ไปฟันไร่เลยกันนั่นแหละนะไปกินน้ําหมูพอหลังจากกินเสร็จเอ๊อระลึกได้เออเราไม่น่า จ, จะไปกินของเขาเราผิดศีลแล้วเนี่ยเราไปข้าวไของเขากินแล้วเนี่ย จคิดหมุนหมุนหมุนหมุนห ม, นมุนเข้าหลักปัญญาการปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเข้าหลักอริยสัจสี่บัณฑุรมได้ตอนนั้นเลยนะแป๊บเดียวแค่นั้นเองคือเขาเห็นโทษในศินอย่างข้อแรกก็เห็นโทษในศินข้อสามแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็เห็นโทษในในขินในศินข้อข้อข้อสองอธินนาลักทรัพย์คดัมริ เห็นว่าจิตเจ้าของไม่มีสินผิดสินแค่นี้เนี่ยหมุนย้อนมาที่จิตเจ้าของจิตเจ้าของก็หมุนหมุ น, ม, น, ม, นมุนุนะก็สติเกิดปัญญาบรรลุธรรมตัดจำไรกเกิเลรได้หมดเป็นพระประเจกแต่ท่านพูดถึงทุกเกือบทุกองเลยนะพอมบรรลุเป็นพระปัจเจกแล้วเนี่ยจะหอกจะลอยขึ้นนะพระประเจกเนี่ยเรื่องหลังนี้พอหลังจากบรรลุเสร็จแล้วก็หอกขึ้นหอกขึ้นแล้วก็สอนสอนเพื่อนนั่น เ ห, หาะขึ้นนอะสอนเพื่อนบนอากาศนั่นแหละสอนเพื่อนบนอากาศเนี่ยเพื่อนมาเอา้าเพื่อนเหาะอ่าคือจะเหาะไปอยู่ที่เขาคันธมาศเป็นที่อยู่ของพระปัจเจมีเป็นตำนานของพระปจเจกนี่พระเทวทัตหลังจากหนีไปอนาคตข้างหน้าพระเทวทัตก็จะได้ม า, าบัตเป็นพระปจเจพระปัจเจกบุษทัศก็คือพ้นทุกพ้นโทษพ้นโลกพ้นภัยในวัตสงสารเข้าสู่ เข้าสู่ปรปนินิพานเข้าสู่นิพานไม่มีบริษัทไม่มีบริวารไม่ได้ตั้งเป็นไม่ตั้งเป็นพระศาสนาไม่มีพิสุภิษุนียบาสุบาสิกามันลุ้โดยลําพังคําว่าปัจเจกะปัจเจกะแปลว่าจำเพาะเฉพาะตนเฉพาะตนปัจเจกปัเะปัจเจกะปัจเจกะแปลว่าจำเพาะจำเพาะปัจเจกชนเนี่ยคนเราได้เราหนึ่งหรือคนบางคนเนี่ยเขาเรียกปัจเจกะปัจเจกะพระปัจเจกจำเพาะ บรรลุพระรพอรหันต์เฉพาะตนแล้วก็เหาะไปอยู่เขาคันธมาศแล้วก็ปฏิภานที่นั่นมี่พระเทวทัตก็องหนึ่งอยเรื่องของพระเทวทัศนนอกนั้นคนที่ไม่ได้บรรลุทำไม่รู้ทำไม่เข้าใจทำก็มีแต่พวกไม่มีความเรื่อมใสศรัทธานั่นแหละไม่เคยสร้างบุญบา ร, รมีร่วมกันมาเช่นอย่างเช่นอย่างลูกน้องของพวกสัญชัยเวรัตบุตรเนี้่อะ สันชัยเวรัตบุตรเนี่ยที่พระโมคคัลลาภาษาบุตรท่านไปฝึกด้วยเสร็จแล้วท่านกลามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาอยู่กับพระพุทธเจ้าสันชัยเขาก็พูดอย่างท้าทายว่าเขาถามคนในโลกนี้คนโง่ามากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่าภาษาบุตรพระโมคคัลณะ ก, ก็เลยแย่งกันตอบว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดอาอะยางงั้นท่านไปอยู่กับคนฉลาดซะเราจะอยู่กับคนโง่ จะได้คนโง่มากกว่าแคนเมดแ์ละคนโง่น่ะเนี่ยตั้งแต่หมูหมาเป็ดไก่นุ่นอึงอึงอึงขบเขียดอะไรเนี่ยแคนเมอเป็นบริษัทบริการของสัญไัย์มดสัญนัยเวรัตะบุตรคือพวกนี้ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็คือไม่มีสะพานเชื่อมที่จะเข้าที่จะข้ามไปที่จะข้ามไปเชื่อไปฟั ง, ไ ป, ฟงไปศึกษาไปอบรมไปอะไรต่ออะไร และพวกนี้คือพวกมิจฉาทิฐิมีความนึกมีความคิดที่แตก ต, ต, กต่างและพวกที่ไม่เคยสั่งสมบุญญาบารมีมาด้วยกัน่ไ ม, ไมแต่เบื้องปลายของสัตว์ทุกๆชีวิตนะท่านท่านพูดเอาไว้นะเบื้องปลายของสัตว์ทุกๆชีวิตเนี่ยจะต้องจบลงที่การบรรลธรรมเพราะการบรรลุธรรมเป็นการสิ้นสุดของของรูปธรรมของนามธรรมา แม้แต่พวกกบพวกเขียดพวกหมูหมาเป็ดไก่อะไรแต่ไรเนี่ยถึงการถึงคราวที่เขามาเกิดรับใช้กรรมเขาก็ได้อัตภาพที่เป็นสัตว์ต่างๆเหล่านั้นตามความหยาบของกรรมที่เขาเคยทําไว้แต่พอกรรมของเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นกลับมาเป็นมนุษย์มาสร้างบุญญาบา ร, รมีสร้างสมอบลมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถึงแม้ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิพอนานยุคลายยุคหลายคราวหลายสมัยไปก็จะเจออาจารย์ ที่มีความเกี่ยวข้องการเกิดความสนใจยินดีเชื่อฟังและก็นำข้อต่างๆเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดก็จบจบวัฏจรสงสารได้เช่นเดียวกันแต่อย่างอื่นไม่มีจุดจบไปเกิดในนรกยังไม่จบพอพ้นจากนารกมาแล้วจะต้องมาเกิดเป็นนุษย์เป็นนิเป็นนเป็นนั้ น, นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เกิดมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีก เกิดเป็นมนุษย์หลักกัทำคุณงความดีทำดีขึ้นกว่านั้นสันหน่อยตายไปไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาชั้นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงสูงไปขึ้นมากนตกโลมาต่ำมาเป็นมนุษย์ทำความช่วยช้าลามกไปมากๆตกลงไปเอาเวจีมานะัรบอีกไม่มีสิ้นสุดท่านจึงเรียกว่าวัตตวนวัตตว น, วตรวนหรือวัตตะสงสารสังสาระแปลว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในนี้แหล ะ, ะการท่องเที่ยวของเขาก็ไม่มีอะไรแต่มีสองอย่าง เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดตายด้วยอํานาจของอะไรของอํานาจของกรรมเกิดตายด้วยอํานาจของกรรมเราฟังอย่างนี้เราก็สะท้อนมาที่ตัวเราทั้งหมดน่ะทั้งเราทั้งท่านนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นที่สิ้นสุดจบวัฏสงสารของพวกเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเข้าถึงอ่าความสิ้นสุดแห่งกิเลสตหาอสวรทั้งหมดเป็นพระอรหันต์น้าพวกเราฟังแล้วก็สร้าง บรรยากาศเอาไว้กระ ย, ยิมยิ้มย่องในหัวใจเออเราก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นคตินะเป็นคติแต่ถ้าเราไม่ยอมตั้งต้นประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะเราก็จะอยู่เท่าเดิมอาจจะขึ้นลงอาจจะตกต่ําอาจจะกลางกลางก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามเอาละพอสมควรแล้วอ่าสามทุม่มละ พวกเรามีอะไรมไหมฮะพวกเราไปทั้งหมด10 21เหรอใครอยู่ใครตายด้านขาใครใครไป15อยู่เท่าไหร่ฮะฮะอยู่แบบองค์ท่านท่านท่านนนุ่มด้วยท่านทายด้วยนุ้ย อยู่พระเก่าอยู่กับหมดแล้วะเออให้พระให้พระเก่าพาพระไม้ไปทางนน้นนะ่ะไปก็รู้จกักเราก็รู้บรรดาศัดดีงั้นก็ต้องไปคนแออัดเต็มไปหมดมันยากตนเราไปเราที่แรกเราก็กะว่าจะไปเช็คนี่ไม่อยากไม่อยากอยู่ให้มันคัํานี่แหละ ที่ผมผมที่ผมไปคนเดียวไปล่วงพยาบาไปคนเดียวนี่ก็่าจะไปให้เขาดูตาให้มันเจ็บก่อนทันเพื่อจะมันจะไม่ค่ําแบบนี้ไปมันมันไม่ค่อยมีคน่หมอมันเลยไม่กลับคลินิกมันหมอมันเลยไม่กลับมันบอกว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เกือบใบมองมันถึงกลับเสียจากจากที่เราไปคอยจะถึงบ่ใบมองมันตั้งนานโอ้ยที่เกียจคอยไปไปเราเข้ามันตาด ก็เลยเข้ามันต่างไปแต่มันก็ไปถามว่าไปดูเวลาเขาเปิดเวลาเท่าไหร่ 13. อ่าสิบสองถึงสิบสามวันธรรมดาสิบสองถึงสิบสามเจ็ดถึงยี่สิบเจดคือห้าโมงเย็นเนี่เราก็เลยเข้ามานี้เราคอยเข้าไปรอบรอบข้ามบิกไปเขาเก็เช็คดูให้นะครับเป่าลมใส่ให้ดูนับตัวเลขให้ลมเขากลัวว่าเลือดมันจะมาขั่งไหน เขาเขาเขาจะใส่ยาขยายมา่านตาให้อยู่แต่ผมเคยใส่ที่สีนักคารินอนะ่ะใส่แล้วมันแสบหลังจากแสบแล้วเนี่ยตานี่เคืองไปหมดแล้วออกมาเนี่ยมีแสงมีอะไรเนี่เคืองไปหมดเลยออ เ, ยเยดเยินน้ำตาไหลพอเราเล่าเขาฟังเขาเลยไม่ใส่ให้บอกว่าท่าอาจารย์เคยไปเช็คไปอะไรแล้วก็ไม่ต้องเขากลัวเขากลัวว่ามัน เ, เส้นเลือดมันจะมาแตกมาอะไรในในใ น, ในตาเนี่ย ก็าเห็นว่าไม่มีอะไรเขาเลยจัดยาให้ฉันจัดยามาให้ฉันก็ไม่มีอะไรยาหยอดยาเหยื่ออะไรก็ไม่เห็นมีมเห็น ม, มีมีให้ตอนเปิดซีนคครินน่ยเขาไปเขาไปใส่ไอขยายม่านตาเนี่ยใส่แซบด้วยเขาบอกนั ง, นงไอ้เปลือกตานนนหนาๆนี่เขาใส่ใส่ให้มันใส่ให้มันบางให้มันบางเสร็จแล้วเขา เขาส่องดูเขาเช็คอะไรของมันกันไม่นึ่แต่ว่าไอ้เราน่ยที่ปกติเขาบอกว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วเขาจะให้นอนอย่างนั้นเป็นชั่วโมงๆไอ้เรามันนอนไม่ได้จําเป็นต้องลงมาตอนนั้นน่ะลงมามาเจอแดดโอ้โหแทงตานี่แสบน้ําตาไหลเดินเหมือนคนตาบอดเลยโซซาโซเซน้ําตาไหลพอเราเล่าเขาฟังเขาอะไรไม่ใส่พอดีหมอไปโยนรถเขาจะพาไป ที่ที่รัตนินเนี่ยวันที่20 21 22เราจะต้องไปช่วยหมอปิโยรออย์อีกที่ที่วัดชรธรรมสถานที่ที่นครปฐมเนี่ยใครเคยไปบ้างหมอปิโยร์เนี่ยเขาเปิดสานักสงฆ์มานานตรวจอบรมเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ทีนี้เขาก็มาถวายลุงตาแล้ววัชรธรรมสถานเนี่ยเข า, เามาถวายลุงตาแล้ว แต่ยังเพื่อนว่ามีปีนี้ไม่มีพระจำมาศาทุกปีมีพระไปจำมาศาหนึ่งองสององหนึ่งองสององแต่ปีนี้เพื่นย้ายจากนี้ไปไหนไม่รู้นะไป ย, ย้ายไปที่สัตตหีบหรือไปที่ไหนก็ไม่รู้นะเพื่อนไม่ไดออ้อยู่ที่เดิมกนเลยบริหารงานไม่สะดวกก็เลยไม่มีพระอยู่ปีนี้ไม่มีพระอยู่ที่วัดพรธรรมสถานไหวถอยดวงตาละ หลังจากแล้วเขาพยายามจะคัดเลื่องเฉพาะพระสายเราไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปอบรมข้าจัดอบรมสามวันเยยี่ยี่เ็ดยบสองเนี่ยพอดีเขาก็เลยคุยคุยนานมากเกือบครึง่มมงชั่วโมงพอมาคุยคุยเล่าให้ฟังหมดก็อบอกอีกสองปีอีกสองปีสามปีเขาจะบวชพอ่พอพ่อของแกก็บวชเป็นพระอยู่ี่สิบกวาพรรษา อยู่ที่ไหนอยู่กับอาจารย์นรงอจรนรงหัวหน้าอจนรย์นรที <voices> ่ไปจ้าวัดมุติชัยจารย์นี่เคยไปคู่กันกับมุตชัยไปเขียนอจาร์นรงหัวน้าพ่อพ่อเพื่อนบวชอยู่ไปบอาจานรงตัวตัวตัวเ่นเองเนี่ยท่านวัดจะทางานอีสองมวันแค่สองสองสาปีก็จะบวชแต่ก็อยากได้ในผลก็ได้ในผลก่อนก็จะดีก็ได้ในผลแล้วก็จะลาออก มันจะมีสิทธิ์คุ้มครองอะไรเยอะเราคุยเรคุยไปทำเรื่องเขารู้จักไหมท่านต้นรู้จักไหมรู้จักไอ้ ด, ดออร์พิโอเลตไหมฮะอ๋อก็อเป็นฐานเรือเหมือนกันไม่อะ่เรฮะเขาทำงานอยู่เนี่ยอยู่พ่าปีนเกล้าไอ้โรงพยาบาลโรงพยาบาลท่ปีนเกล้าเนี่ย เออผลย้ายไปไปเป็นรองผ อ, อย้ายไปเป็นรองผ อ, อที่ที่ไหนที่สัส ต, ตหีบหือที่ไหนมันะ้งนี่ยเมื่อก่อนนี้น่าจะทําอยู่อยู่ไอ้พระปิ่นเกล้าเนะ่อยโรงพยาบาลปิ่นเกล้านะหมอประโยชน์นะเป็นหมอด้วยเป็นน อ, อด้วยเป็นดอร อ, อีกด้วย<ม>เขาเล่าให้ฟังเนี่รู้สึกว่าเขากรองเขากรอง พฤติกรรมของเขาได้ดีมากเลยนะโอ้โหเบี้ยวนิดเดียวแก๊กเดีย ว, กกยวไม่ได้เลยไม่เอาเลยเป็นคนที่ตรงจริงๆตรงไปตรงมานณาแกแ ก, แกจัดกจการมูลิตีนียมูลิตีเนี่ยติดลบยี่สิบกว่าล้านเรื่องที่จะไปทำแล้วทำให้เกิดได้ผลได้กำไรได้อะไรออกมาเนี่ยไม่มีมีเท่าไหร่มีก็ทำทาทำทำทำํยายามทำบุญอย่างบริสุทธิ์จริงๆ จะไม่มีเนื่องื่อนงาเพื่อที่จะดึงนู้นมาดึงนี้มาดึงอะไรมาเท่าเท่าที่ฟังแกเล่าให้ฟังโอ้รู้สึกว่าคนตรงมากคนตรงจริงๆแล้วเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องพระพระที่เวียนไปอยู่ในวัดเจรธรรมสถานนั่นแหละบางทีไปขออยู่สองสามวันอเอารถไปขนของไปมดุดมีอะไรขนใส่ไปมดหลอดวงหลอดไฟขนไปมดุดโอ้ ตอนหลังมาพระที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยต้องระวังหน่อยหรือพระสะเปเร่ละที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่มีอะไรคนเอาไปหมดก <c oughs> ็ฟังดูชีวิตการต่อสู้พอสมควรกับการอยากสอนคนบอกคนสอนคนให้ดีเราก็บอกว่าเป็นผลงานเราทั้งนั้นแหละเราอยู่อยู่อย่างมีประสบการณ์อยู่อย่างมีผลงานที่ทต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลงานเป็ น, นประสบการณ์กระถางให้เราเห็นหมดแหละ ทำให้เราเกิดเบื่อเกิดนายเกิด อ, อะไรต่อะไรหมดแหละความฉลาดมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในนั้นแหละไม่ระแวงไม่ไม่ไม่วางใจไม่วางใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเคยประสบเพรเห็นนี้นไม่วางใจนี้ในสุมญากยอณมาย้อนมาย่างม า, มาแล้วก็มันไม่วางใจข้างในมันเลยเลยต่อสู้กันกับข้างในกิเลสข้างในนี่มันจะต้องมันจะย้อนมาจากข้างนอกเข้ามาข้างใน การพิจารณาข้างนอกย้อนมาที่ข้างในพิจารณาข้างในแล้วก็ย้อนไปพิจารณาไปเทียบข้างนอกย้อนจากข้างนอก่าถ้าพิจารณาแต่ข้างนอกอย่างเดียวไม่มาเกี่ยวข้องกับข้างในข้างในนี่ผิดทําให้เราออกนอกลู่นอกทางได้พยายามพุทธิกุบายอาจารย์ท่านจริงพยายามสอนไม่ให้เราพิจารณาออกนอกกายนอกใจถ้าเราพิจารณาออกนอกกายนอกใจจะทําให้เราหลงง่ายๆถ้าหากพิจารณานอกกายะ พิจารณาเรื่องนู้นนก็ตามจะต้องเอามาเทียบเคียงกับข้างในถ้าพิจารณาข้างในแล้วก็จะเทียบเคียงไปกับข้างนอกเอาเป็นข้อเทียบเคียงกันอย่างนี้ได้พิจารณาแต่ข้างนอกอย่างเดียวไม่น้อกมามาเทียบเคียงกับข้างในนี่ผิดทําให้เราออกนอกรูนอกทางไปเลยให้พิจารณาข้างนอกเหมือนกันแต่ต้องเอามาเทียบข้างในเหมือนอย่างพระที่ท่านเห็นน้ําฝนหยดลงไปกระทบกับน้ําตก ชายคานี่ยตกลงมาตั้งตั้งเป็นต่อมแล้วก็แต่ตกลงมาตั้งเป็นต่อมแล้วก็แต่ใครก็เห็นน้ำฝนมันหยดลงชายคามันหยดลงมาต้อเกิดฟองอากาศสายนึงก็ปั๊บต้องเกิดฟองอากาศเปั๊บเนี่ยมันมันหลายหยดมันหลต่อมเพาะต่ระเพราะเพราะดูพิจารณาข้างนอกแล้วเทียบเข้ามาข้างในพิจารณาข้างในเทียบไปข้างนอกไปว่าจะไปจะไปทูลถามผู้ที yeah. you know ่เจ้าผู้ที่เจ้า อยู่บนกุฏิเพราะการทูกดีขึ้นข้างบนยังไม่ได้เพราะควัตกเราอยู่ยืนอยู่ข้างล่างเลยน้ําชายคามตกลงมาตั้งต่มแล้วก็แปกตั้งต่ำแล้วก็แตะดูข้างนอกแล้วก็เทียบเพียงเข้ามาข้างในดูข้างในแล้วก็เทียบเพียงเข้าไปข้างนอกแต่ว่าจะไปถามปัญหาน่ะมนุษย์ทำก่อนละไม่ต้องขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเดินกลับนี่เราเราดูอันนี้เป็นข้ออุปมาแล้วเราดูข้างนอกเราดูได้ แต่เราต้องเอามาเทียบกับข้างในเราเาล